สิขาบทที่3าว่าได้การใช้เครื่องประดับเอวเรื่องภิกษุณีรูปหนึ่งสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถามินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีรูปหนึ่งเป็นภิกษุณีประจำตระกูลของหญิงคนหนึ่งสมัยนั้นหญิงนั้นได้กล่าวกับภิกษุณีนั้นดังนี้ว่าแม่เจ้า ท่านโปรดนำเครื่องประดับเอวนี้ไปให้หญิงชื่อโน้นลำดับนั้นพิชุนีนั้นคิดว่าถ้าเราจะใส่บาทเดินไปเราต้องเสียหายแน่จึงสวมเครื่องประดับเดินไปเมื่อได้ขาดเครื่องประดับเอวตกเรียราตลงบนถนนคนทั้งหลายตำหนีประนามโพ้่ทนานาว่าชนัยพวกพิชุนีจึงใช้เครื่องประดับเอวเหมือนญิงเคร่อหัดผู้บริโภคกามเล่า